จิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบนะต้องทําขึ้นมานะมิปัท ส, สนาไม่ได้ฝึกเพื่อเอาสุขเอาดีเอาสบายเอาอะไรต่างๆเหล่านี้มิปัท ส, สนานั้นฝึกเพื่อเอาความจริงเท่านั้นเองฝึกเพื่อเอาสัมมาทิจิตฝึกเพื่อให้เห็นความจริงนะความจริงของอะไรความจริงของกายกับใจนะกายกับใจนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวทุกขนะ์ขันท่าคือตัวทุกข์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 ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงที่ปล่อยวางได้หมดความยึดถือดลงนันวิปัสสนาเนี่ยเราต้องคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองจนกระทั่งเข้าใจความเป็นจริงนะนี่การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยพนระพุทธเจ้าสอนบทเรียนไว้สามบทนะก่อนที่จะมาถึงขั้นเจริญปัญญารู้กายรู้ใจนะท่านสอนลายสิก ข, ขานะอันแรกเลยเรื่องศีล ศีลสิกขาอันที่สองชื่อจิตสิกขาอันที่สคือปัญญาสิกขามารู้กายรู้ใจถ้าเราเรียนไม่ครบเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นพวกเราส่วนมากเราคิดว่าเราไปขอศีลมาจากพระเราก็เรียกว่าเรียนศีลสิกขาจบละมันไม่ตื้นขนาดนั้นศีลที่จําเป็นสำหรับสำหรับนักปฏิบัตินีไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดไม่ใช่ศีลสิบไม่ใช่ศีลสองอยี่สบเจ็ด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 นะวิธีเรียนก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งเรียนจากตำรานะพวกที่เขาเรียนอภิธรรมนะเนี่ยก็จะเรียนสภาวธรรมเจสิบสองชนิดนะในเจนะ็ดสิบสองนั้นมีจิตอยู่หนึ่งนะเรียนเรื่องจิตนะจิตจะแจกแจงออกไปได้อีกเนะยอะแยะแปดสิบนะกว่าดวงเราไม่มีมีไม่ครบหรอกนะนะนี่เรียนอย่างนั้นก็เรียนลำบากนิดหนึ่งนะมีอีกวิธีหนึ่งก็เรียนอย่างง่ายๆเรียนโดยการตามรู้ของจริงไปเลยนะของจริงๆไป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 จิตที่เป็นกุศลจริงๆจะต้องมีละหูตามีความเบาถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตเราหนักๆขึ้นมาต้องรู้นะทำผิดแน่นอนอาภูศนเกิดขึ้นแทนกุศลละเวลาลงมือปฏิบัติบางคนหนักอึดเลยนะหนักเหมือนแบบแบบภูเขาขึ้นครบไม่ใช่แบบคลกขึ้นภูเขาละนะมันหนักขึ้นมาถ้ามันหนักขึ้นมาแสดงว่าทาผิดแน่นอนจิต ท, ที่เป็นกุศลเบานะ จิตที่เป็นกุศลนุ่มนวลมีมุทุตานุ่มนวลอ่อนโยนถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตเราแข็งหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะจิตแข็งแข็งใจมันจะแข็งแข็งทื่อๆอย่างนี้นี่อกุศลนะต้องระมัดระวังนะจิตที่เป็นกุศลนุ่มนวลจิตที่เป็นกุศลมีป่ากุนตาคล่องแคล่วว่องไวถ้าซึมซึมซึมซมอย่างนี้อกุศลนะทื่อๆทืๆ่อๆ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 จิตเบาๆจิตสบายนะจิตมีความสุขรู้สึกสว่างสวยแต่สังเกตให้เรียนมันจะนิ่งๆอยู่นิดนึงมันจะผิดธรรมดาอยู่นิดหนึ่งแท้จริงจิตที่ดีที่สุดสําหรับการปฏิบัติก็คือจิตธรรมดาของมนุษย์นั่นเองจิ ต, ตปกติของมนุษยนั่นแหละมนุษย์ผู้มีใจสูงมนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงมีใจที่พร้อมกับจะรองรับธรรมะได้แต่พวกเราหนักปฏิบัติส่วนหนึ่งเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเพ่งเอาเพ่ง เ, งเอากําหนดเอากําหนดเอา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 นะนักปฏิบัติจํานวนมากเป็นอย่างนี้ราคะแทรกแล้วโมหะแทรกแล้วไม่เห็นอีกแล้วส่วนในพวกที่กําหนดเอากําหนดเอาเริ่มต้นมือใหม่ๆนี่นะโมหกะกับโทสะแทรกเรากําหนดได้ที่เพ่งได้ที่โมหกะกราคะแทรกต้องเรียนนะต้องเรียนจนเรารู้จักลักษณะของจิตเราจะได้เดินไม่พลาดขัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีจิตที่เป็นกลางได้จิตที่ผิดมีสองตัวจิตที่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 ถ้าเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบวันวั น, วนไม่อยากยุ่งกับใครพวกนี้ต้องดูกายเพราะกายนี่มันจะให้เห็นเป็นเ็นง่ายไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะส่วนพวกชอบคิดมากจิตใจวักแวกวกแนะี่ให้ดูจิตเอานะดูจิตไปเลยพวกคิดมากนี่เจริตคนมีสองอย่างที่ใช้ทำหิปัสสนาตันหาจริตกับทิฏฐิจริญนะก็มีดูกายกับดูจิต ส่วนเวทนากะระำนียังไม่แนะนำเวทนากะระทนี่มนเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับผู้มีปัญญาก้าพวกเรายังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่ามีปัญญาก้าเราก็ดูกายดูจิตเป็นของดูง่ายเป็นพื้นๆแต่ดูกายมีเงื่อนไขกายานุปัสสนามเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าทำฌานไม่เป็นไปดูกายนะ้นจะหลงถลําลงไปแช่อ ย, อยู่ที่กายเลย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 หรือบางคนดูท้องพองยุบเนี่ยจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องหรือยกเท้าย่างเท้าจิตจะไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือสายลงพระเทียนขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมือะรู้อีริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเพ่งมันทั้งตัวเลยคราวนี้ไหลไปก่อนทั้งตัวเลยทําเป็นใช่ไหมง่ายจะตายพวกเนี้ยพวกเ พ, ก พ, งพ่งเพเอางั้นอย่างแรกนะอย่างรู้ลมหายใจหรือกรรมฐานอื่นก็เหมือนกันนะรู้ลมหายใจหรือดูท้องพองยุบหรือขยับมือเนี่ยอย่างที่หนึ่ง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 ใจมันหลงไปใจมันขาดสติหลงนี่มีหกอันนะหลงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายแล้วก็หลงไปคิดถ้าแถมอีกอันหนึ่งก็หลงทางใจเหมือนกันคือหลงไปปฏิบัติธรรมหลงไปเพ่งหลงไปกาหนดนั้นหลงนี่มีหกอันพอรู้เรื่องไหมฟังกับหลวงพ่อนะต้องแบบ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 นี่มนเอาท้องพองยุบเป็นพื้นฐานแล้วมาดูจิตได้ทำจิตตานุปัสสนาไดนะ้รู้ลมหายใจก็เหมือนกันรู้แล้วขาดสติใช้ไม่ได้รู้แล้วเพ่งลมหายใจได้สมถะรู้แล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูทนำะ ม, มิปัสสนาดูกายนะเห็นในตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกนะรู้ลมหายใจแล้วก็คอยรู้สภาวะของจิตใจไปนี่ก็ไปดูจิตนะขยับมือสายลงพระเทียนขยับแล้วใจลอยใจลอย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 จิตต้องรู้ตื่นต้องเบิกบานรู้เนื้รู้ตัวต้องสบาย <Yeah. S 1> ถ้าปฏิบัติแล้วอึอดอัดอกุศลแน่นอนนะและจิตที่อึดอัดเนี่ยเป็นอกุศลและจิตแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตเบาๆไม่แน่ว่าเป็นกุศลนะต้องระมัดระวังบางคนบอก ว, ว่าจิตเบาทั้งวันเลยเนีย่เบาอย่างนี้เดี๋ยวพวกดูจิตเป็นก็จะดูหลวงพ่อทาให้ดูนะ <Yeah. S 1> มันจะเบา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 แลนะ้วคุณเบอร์สีที่เลี้ยงแมนครับไว้เนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไหมทนๆ น, นะทนฟังไปค่อยๆฟังโยมเบอร์เก้าับโยมเนี้ยที่ฝึกมาไม่เสียหายนะใช้ได้แต่ว่าฟังเพิ่มนิดนึงจะได้ก้าวขึ้นมาสู่การทำมิปรสนาจริงๆส่วนใหญ่เราไปติดอยู่แค่สมถะเราไปติดแค่อาการของสมถะ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 กาลุณานะพลาดนิดเดียวจะพลิกเป็นโทสะเลยต้องระมัดระวังอนะกุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้อกุศลพลิกเป็นกุศลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราใจลอยไปเราใจลอยเราเกิดสติระลึกขึ้นได้ว่าใจลอยนี่พลิกเป็นกุศลละกุศลนะพลิกเป็นอกุศลก็ได้ถ้าในขั้นละเอียดนะเช่นพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาปับ๊บนะเช่นเราใจลอยอยู่ใจลอยมาหนึ่งชั่วโมงนะนี่เป็นอกุศล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 คล้อยตามอะไรคล้อยตามทุกนั่นเองก็นะ จ, ะจะรู้ว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนี่คือตัวทุกนะแต่ว่าจิตไม่ไปเกลียดมันนะจิตจะเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยเรียกว่ายอมรับความจริงแล้วว่าเออทุกมันเกิดแล้วทุกมันดั บ, ท, ดบทุกมันเกิดแล้วทุกมันดับยอมรับความจริงนะถัดจากนั้นจิตจะปล่อยวางความยึดถือกองทุกหรือยึดถือกายยึดถือใจนี่้วนทะวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้นะอานะสวะกิเลสที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่นี้จะถูกอริยามากแหวกออก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 ไม่ใช่ตัวเราพอรู้อย่างนี้มันจะเกิดคํานึงเรียกว่าปฏินิสสาคาการสลัดคืนคืนกายคืนใจให้กับโลกเขาหมดความยึดถือพอคืนกายคืนใจกับโลกต่อไปนี้ตัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะงั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมูทัยจะถูกละเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะพระพุทธเจ้าทําไมสอนอริยสัจกลับข้างทําไมท่านไม่เริ่มจากสมูทัยก่อนใช่ไหมมีสมูทัยแล้วก็เกิดทุกข์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 แล้วไม่รู้ว่าใจกาลังกระจกระจายอยู่รู้สึกไหมนั่นแหละหลงแหละค่อยๆหัดนะค่อยๆฟังก็ง่ฟังเล่นๆไม่ซีเรียสไม่เก็บค่าฟังด้วยหวานว่างไงหวานหลวงพ่อเจ้าขาโยมเออจะรู้สึกว่าเวลายงมมองเนี่ยจะพาโยมจะเห็นภาภายนอกเนี่ยเยอะกว่าการรู้สึก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 พอเรากลับมาดูใจมันก็จะตัดแว็บไปบางทีพอกลับมาดูใจมันก็ตรงที่กลับมาดูใจเนี่ยถ้าจงใจกลับนะให้รู้ว่าจงใจนะนี่โลภะเกิดแล้วกิเลสเกิดเรียบร้อยแล้วทีนี้พอรู้ว่าจงใจกลับมาดูเนี่ยก็จะเห็นความอยากอยากที่จะกลับมาดู อ, อ, อารมณ์แรกมันก็จะจางไปงแต่ว่าเป็นอดีตไปแล้ว ม, มันก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นมันก็ดับไปนะ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 ออกนอกก็ไม่ออกจริงนะออกแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> ออกอย่างเงี้ยกลัวจะออกอ่ะก็ดึงไว้หน่อยหนึ่งมันมันไม่ออกจริงด้วยซ้าไปถ้าออกไปเลยมันก็หลงไปนานเลยหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงเอาแต่มันหลงหนานนะเจ้า <c oughs> ค่ะนั่นมันนานเกินไปใช่ไมเห็นไ้มมันน่าจะสั้นกว่านี้เห็นไหมมีคาว่า น, น่าจะละมากไปน้อยไปเกินไปนี่เกิดจากความคาดหวังของเราเอง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 หลวงพ่อเจ้าคะเงินโยงก็ไม่ต้องทําแบบเก่าเลยใช่ไหมเจ้าคะโยมเหรอโยมก็ไปใช้ชีวิตปกติเลี้ยงลูกไปวันนี้ลูกดื้อโมโหรั่วโมโห ว, วันนี้เรียกลูกมากินข้าวก็มาดีๆก็ดีใจอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องคอยรู้แบบคาบลูกคาบดอกก็ไม่ต้องอทำแ<ป>ล้วคาบลูกคับดอกอย่าไปทําเหนื่อย <S <S เห็นไหมโยมยอมรับสารภาพว่าคับ ล, ะ ล, ะ ล, ะลูกคับดอกแล้วเห็นไหมเหยียบไม่สองข้างอย่างที่หลวงพ่อว่าไปก็ไม่ไปนะอยู่ก็ไม่อยู่